ทุกของคนเราไม่ว่าจะเพศใดภาษาใดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ร้อยแปดพันเก้าแค่ไหนจะรวมสรุปอย่างย่อยๆมันก็รวมอยู่ได้ในบทสวดมนต์ที่เราได้สวดทุกเชา้าโดยเฉพาะสามข้อนี้คือว่าทุกเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกเพราะพัดพราดจาก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 ที่แท้จริงที่ทำให้คนเราทุกเวลาประสบเหตุการณ์สามอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทุกข์ก็เพราะมีตัวเนี่ยไอ้ความยึดติดสือมัน่นหรือความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวการเลยและเมื่อเห็นนี่เองเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ต้องอดีตหรืออนาคตนะ่อะไรก็ตามที่เกิดเป็นปัจจุบันมันก็ทาให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดมันนะว่าเป็นเราเป็นของเรา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 หรือมันก็มีแต่เวทนาที่เป็นเวทนาทางกายเท่านั้นเพั้นสตินี่มันเป็นตัวลื้อถอนไอ้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่วิเศษมากอันนี้พระเจ้าเคยสอนพะฮิยะพะฮิยะนี่เป็นคนที่เคยคิดว่าตัเป็นอรหันต์เป็นผู้วิเศษแต่ตอนหลังพบว่าตัวนี่ไม่ใช่พระอรหรันต์แท้นี่มีอยู่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรู้เขาว่าพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็